สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีลบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบห้าเรื่องความรับผิดชอบต่อองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเรามาถึงโค้งจุดท้ายของชุตพระเยซูแล้วนะครับที่ผมพยายามที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องมาเป็นเวลานานแลมปีเลยทีเดียวในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีต่อพระเยซูนะครับ เราจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้านั่นก็คือต้องใช้ความเชื่อเมื่อเราก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าแล้วเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบครับในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าความรับผิดชอบคืออะไรครับมันเป็นยังไงกันแน่มันหมายถึงอะไร พี่น้องครับเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับว่าเวลาที่เป็นคริสเตียนนั้นจะต้องทำอะไรบ้างผมอยากจะตอบสนองก็คือว่าไม่อยู่ก็คือการที่เราจะเป็นผู้เชื่อที่มีความรอบอับผิดชอบนั้นประการแรกก็คือเราจำเป็นจะต้องโฟกัสหรือว่าเราต้องจดจ่อรวบรวมความสงสนใจทั้งหมดนะครับจดจ่อไว้นะครับ เพราะพระเยซูเป็นต้นเหตุครับจดจ่อที่พระเยซูทุกวันนี้เรามีได้แบบนี้เราเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะพระเยซูนั่นเองเราได้รับความรอดได้รับการคืนดีชีวิตเราเปลี่ยนแปลง เ, เรามีสิทธิอำนาจเรามีอะไรหลายอย่างมากมายครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสาเหตุต้นเหตุคือพระเยซูพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองครับเมื่อเราโฟกัส ความสนใจของเราอยู่ที่พระเยซูพระเยซูก็เป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของเราครับข้อเท็จจริงที่ว่าความบาปของเรานั้นได้รับการไถ่แทนแล้วเราได้รับชีวิตใหม่แล้วเราได้รับพระสัญญาของสวรรค์แล้วเราต้องโฟกัสนะครับทั้งหมดในชีวิตของเราที่พระเยซูครับประการที่สองก็คือความรับผิดชอบที่เราจะต้องโฟกัส นะครับอยู่ที่การทำความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระองค์เมื่อเราโฟกัสที่เบียสูสิ่งต่อไปก็คือว่าต้องโฟกัสที่ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ที่เราจะต้องมีกับพระองค์ให้เรามาดูในฟิลิปปีบทที่สามข้อ 8, แปดถึงข้อสิบครับข้านะทูตเปาโลนั้นเขียนอย่างนี้ครับว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้าเลิศ ในการที่ได้รู้จักพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่งข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคิตและอยู่ในพระองค์ตัวข้าพเจ้าเองไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยพระบัญญัติมีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสเป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้า และได้มาโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต์ระดับอัครทูตเปาโลนะครับท่านบอกว่าท่านอยากจะรู้จักพระเยซูอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเดิมทีนั้นท่านไม่รู้จักพระเยซูมาก่อนไม่ใช่หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านยังรู้จักพระเยซูไม่พอนั่นคือความหมายของพระพีตอนนี้ความหมายพระพีตอนนี้คือว่าข้าพเจ้าอยากรู้จักพระเยซู คำพูดของอักขรุเปาโลนั้นดังกล้องอยู่ในชีวิตของข้าพระองของผมหรือเปล่าครับของพวกเราด้วยว่าเราจะต้องมีชีวิตที่อยากจะเหมือนกับพระเยซูอยากจะรู้จักกับพระเยซูให้มากเมื่อยิ่งรู้จักพระเยซูยิ่งรู้จักชีวิตของพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นทุกสิ่งรอบตัวเราไร้คุณค่าไปหมดครับไร้คุณค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ในการที่เรารู้จักพระเยซู พี่น้องครับนี่คือประการที่สองครับเมื่อเราเห็นว่าสิ่งไหนก็ตามนะครับเริ่มกลายเป็นอยากเยื่อกลายเป็นเศษขยะเพื่อจะได้พระเยซูนั่นหมายความว่าเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นที่ถ่วงอยู่ออกเพื่อที่ติดตามพระเยซูได้คล่องตัวมากขึ้นเราต้องสลัดบางสิ่งบางอย่างที่ถ่วงเราออกเพื่อเราจะติดตามพระเยซูอย่างคล่องตัวคล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรครับ เพื่อการติดตามนั้นจะทำให้เราสนิทสนมรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นครับและตรงนี้นี่เองอ า, อาคาทูดเปาโลนะครับชื่นชมมากและชอบมากทีเดียวเป็นความปรารถนาสูงสุดของท่านเลยก็คือข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเยซูรู้จักมากขึ้นครับรู้จักมากขึ้นและได้รับประสบการณ์ฤิธิเดชแห่งการเป็นขีตความตายของพระองค์ เพียงครับพระเยซูของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับทรงสามารถสด็จฟังคําอธิษฐานของเราได้ครับและในเวลาเดียวกันพวกมีฤทธเดชเพียงพอที่จะทําการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติต่อจนทําทุกสิ่งตามอํานาจอธิปไตยที่พระองค์มีอยู่และอํานาจอธิปไตยที่พงษ์มีอยู่นั้นพงสงวนไว้มีไว้สําหรับใครครับสําหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์เมื่อเราพุ่งความสนใจ ที่องค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้านะครับเราก็จะละสายตาจากตัวเองครับเราก็จะละสายตาจากตัวเองและสิ่งต่างๆรอบข้างเรามันกลายเป็นอยากเยื่อมันกลายเป็นเศษขยะแล้วครับและเราก็จะเป็นสุขมีความสุขอยู่กับการทำให้พระองค์พอพระไทยมีความสุขอยู่กับการให้มีความสุขอยู่กับการรับใช้ผู้อื่นพี่น้องครับเรียนถามพี่น้องว่าทุกวันเนี่ยนะครับ ที่น้องมีความสุขกับการรับใช้ความสุขกับการทำงานความสุขในการแบ่งปันความสุขในการทำธุรกิจที่จะไม่เห็นแก่ตัวที่จะเป็นธุรกิจแบบให้ที่จะเป็นธุรกิจแบบถวายเกียรติพระเจ้าที่จะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติเสียชื่อเสียงเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นความสำคัญนะครับในเรื่องที่สองครับ สำหรับความให้เชอบของพวกเราประการที่สามครับเราต้องโฟกัสในเรื่องต่อไปก็คือโฟกัสเรื่องของการไว้วางใจพระเยซูครับการไว้วางใจนะครับหรือคำว่าร e l ล o n นะครับหรือพลัสนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการไว้วางใจนั้นพระเจ้าต้องการจากเราครับเพื่อประโยชน์ของใครครับเพื่อประโยชน์ของเรา การไว้วางใจพระองค์ในแต่ละวันนะครับในทุกๆสถานการณ์เรามั่นใจว่าพระองค์สามารถดูแลเราได้ครับพระองค์สามารถจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่เราต้องการนะครับจําเป็นได้พระองค์จงสามารถจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงทรงเป็นพระเยโฮวายิเรพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมเราเลิกห่วงเลิกกังวลได้ครับพอพระเยซู ต, ตัดไว้นะครับมัทธิวบทที่สิบเอ็ดก็ยี่สบแปด บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านได้หายเหนื่อยเป็นสุขครับเราจะให้ท่านได้พักสงบมีสันติสุขในเราเพียงครับเมื่อเรานําความจริงเหล่านี้ไปปฏิบัตินะครับวันนี้ผมฝากไว้สามเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของคริสเตียนเราต้องโฟกัสที่ตัวของพระเยซูครับเพราะพระองค์ทรงเป็นต้นเหตุแห่งความรอด แห่งความชอบธรรมแห่งความบริสุทธิ์นี่คือความชื่นชมินดีที่เราได้โฟกัสเราได้จดจ่อรวบรวมความสนใจทั้งหมดอยู่ที่พระเยซูประการที่สองก็คือว่าเราโฟกัสหรือรวบรวมความสนใจทั้งหมดอยู่ที่เรื่องของการทำความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระเยซูครับและประการสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องโฟกัสนะครับเรื่องที่การไว้วางใจ การที่เราต้องไว้วางใจพระองค์ในทุกๆสถานการณ์ครับทุกๆวันทุกๆอย่างเพราะว่าเราสามารถมั่นใจในพระองค์ครับว่าพระองค์ดูแลเราได้ครับพี่น้องก่อนจะจบวันนี้นะครับเวลาที่เราเจอปัญหานะครับนักเทศต่างประเทศครับเขาเล่นคำอย่างนี้ครับว่าอย่าอธิษฐานว่า Oh God I have a big problem แต่ให้เราบอกกับปัญหาว่าโอ้ r o ร l e เบ I have a big God พี่น้องครับพระเจ้ายิ่งใหญ่พอที่จะช่วยเราได้ครับแล้วเราสามารถบอกกับพระเจ้าว่าโอ้ oh, God I have a big problem ในขณะเดยียวกันครับเราต้องหันไปบอกกับพระเบมว่าโอ้พระเบ้ I have a big God แท้จริงแล้วไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าแก้ไม่ได้ไม่มีปัญหาใหญ่ขนาดไหนที่พระเจ้าจะเล็กกว่าปัญหานั้น มีแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่ครับและพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ตลอดเวลาขอพยัญชนิสุทดที่จะช่วยเราเปิดตาแจ้งเราให้กระจ่างแจ้งในพระวจะนะและจะจะทำความจริงในเรื่องนี้ให้เราจดจ่อที่เบเยซูครับคิดถึงพระองค์บ่อยๆครับมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์บ่อยๆครับนะครับและตั้งใจที่จะกรณาตัวทําตามน้มันไทยของพระองค์พี่น้องครับความจริงต่างๆเหล่านี้นะครับทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าอย่างอย่าลืมครับว่า เมื่อเรามีความหวังเราก็จะมีความสุขนะครับและความสุขนั้นมันเกิดจากการเลยครับเกิดจากการไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าเป็นที่หวังของเราได้ครับอาเมน